หนึร้ปวารณาเพศว่าด้วยประเภทแห่งวันปวารณาเรื่องวันปวารณามีสองวันข้อ2องครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีการสนทนากันดังนี้ว่าวันปวารณามีเท่าไหร่หนอจึงนําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายวันปวารณามีสองวันคือ วันสิบ่ค่ำและวัน15คห้าภิกษุทั้งหลายวันปวนารณามีสองวันเหล่านี้แลเรื่องอาการที่ทํำปวนารณามีสอย่างครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีการสนทนากันดังนี้ว่าการทำปวนารณามีเท่าไรหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายการทำปวนารณามีสอย่างเหล่านี้คือ 1. การทำปรนณาแบ่งพวกโดยไม่ชอบทำสอ 2. การทำปรนณาพร้อมเพียงโดยไม่ชอบทำสา 3. การทำปรนณาแบ่งพวกโดยชอบทำสี 4. การทำปรนณาพร้อมเพียงกันโดยชอบทำภิกษุทั้งหลายในการทำป ร, ารณาสีอย่างนั้นการทำปรนณาใดแบ่งพวกโดยไม่ชอบทำการทำปรณาเช่นนั้นไม่พึงทำและเราไม่อนุญาตการทำปรนณาเช่นนั้น การทำปวรณาใดพร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบทำการทำปวรณาเช่นนั้นไม่พึงทำและเราไม่อนุญาตการทำปวรณาเช่นนั้นการทำปวรณาใดแบ่งพวกโดยชอบทำการทำปวรณาเช่นนั้นไม่พึงทำและเราไม่อนุญาตการทำปวรณาเช่นนั้นการทำปวรณาใดพร้อมเพียงกันโดยชอบทำการทำปวรณาเช่นนั้นพึงทำและเราอนุญาตการทำปวรณาเช่นนั้น พิษทั้งหลายเพราะเหตุนั่นและพวกเธอมพึงทำในใจว่าจาทะทาปวรนาชนิดที่พร้อมเพียงกันโดยชอบธรรมดังนี้พวกเธอพึ่งศึกษาอย่างนี้แล